ทำลายตัวเองได้ทำลายคนอื่นได้ไม่จิบหายวายวอดได้ทำลายได้ทุกอย่างไม่เหมือนสัตว์ในฉานก็มีภัยเจอตัวเองได้คนอื่นเราจะมาทำไมเรื่ยงอ่งนี้ถ้ามาเป็นสังขารเกิดขึ้นแล้วดอบไปไมีแล้วหายไปมันสังขารที่มันเป็นอย่างนี้ มันก็เปลี่ยนเลยเปลี่ยนเป็นวิสงขารี่ว่าปฏิบัติได้ธรรมะคือปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จำกัดการผู้ปฏิบัติย่อมรู้ยิ่งเห็นจริงตามความเป็นเท็จเป็นจริงอย่างไรส่วนนอมาใส่ตัวควรชิญผู้อื่นมาดูพระพุทธเจ้าท่งเป็นศรรสาสตราของเราประกาศอยู่อย่างนี้ ท่านทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อวิกิตการดูลลดลวยจะรสที่คนเขาคนหลงพากันหมกอยู่แต่ผู้มีปัญญาหาข้องหยกไม้มาดูโลกกว่ า, ากันคล้องสอกยาวานาคืบนี่เป็นโลกมีรูปมีรสมีกลิ่นมีเสียงมีรสชาติในรูปก็มีรสในเสียงก็มีรสในกลิ่นมันก็มีรส ในรถก็มีรถในกายก็มีรถในใจก็มีรถชาติเราต้องหาเรื่องรถต้องหกลถตาก็จินอาหารใจก็จินอาหารจมูกเล่นกายใจจินอาหารรางคนก็หาสิ่งมาป้อนอาหารให้ทั้งหกอาหารเพื่อไปเห็นไปนั่งรอรถโดยสารก็มีห้องอาหาร มีตู้เพลงเปนไปตั้งจินอาหารสั่งจินอาหารตั้งปากก็จินอาหารตั้งหูก็จินอาหารเปิดเพลงฟังกายก็ดุก ก, ด ก, ก, ดก็ดุกอดีก็ดุกอดิกสัญฉาสัาสนเชนไปกับเสียงเพลงกินเข้าไปด้วยกิน ห, ม ห, มหมอมหอมหอมจอกขอกินเท่าไหร่ก็หอมก็มี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 อารคิดที่ไม่ตั้งใจไม่อยากคิดมันก็คิดมันก็เป็นเรื่องหน่งเรือสองขานมันตรงมันอยู่นิ่งไม่เป็นถ้าเราหัดมันก็สุกสนมากสมศอนโสเพณีจิตใจก็เป็นโสเพณีจิตสมสอคิดอะไรก็ได้กายก็เป็นโสเพณีกายสมสอนับอะไรทั้งหมดยิ่งเล่าสซบูรี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 โอ้หิ้วบุหรี่มันคิดว่าจะไปเอาบุหรี่มาสูบมือวันไปมันมันก็โปร่งแจ่งไปตั้งใจตังใจไปด้วยกันสั่งอำนาจสั่งให้สูบบุหรี่ก็สูบโอบุหรี่มาคาบปากเอาก็ไม่เฉีดมาจทยให้ดูถูกันเข้าไปคนจินมาก็เชี่ยวมากเชี่ยวตลอดเวลาไม่อยู่เฉยๆให้กายปิดประเภทใช้ใจปิดประเภทไป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 สติตั้งแต่อยู่กับพระพุทธเจ้าก็กับสติที่เกิด อ, อยู่กับเราอันเดียวกันตั้งต้นจากที่นี้ไม่ได้ศึกษาในรั้วมหาอุไรที่ใดเอากายเป็นตาราเอาใจเป็นตาราเอาสติเป็นนักศึกษาดูไปเห็นไปดูไปดูไปรูป้ไปบ่ปอยรู้วปบ่อยจังหวะ1นรู้ทีหนึ่งยกมือทีห่งรู้ทีหนึ่งสิจังหวะสิบสรู้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 คมรู้สึกตัวในหลักจากนี้ไม่มีการไม่มีเวลาอยากรู้เมื่อใดไม่มีการข้ามวันคืนไม่มีคงเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นคนเท่าคนแก่เพศลัทธิในกายเลยทั้งสิ้นเป็นสาวกนผมรู้สึกตัวเนี่ ย, อยอขอ ง, นนนนงรจริงต้องเป็นคนเดียวกันไม่ใช่คนละอย่างพิสูนกินปรามาพิสูจนเนี่ยที่มาปฏิบัติ ท, ทดลองดูเป็นวิทยาศาสตร์เป็น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 ขอนตาผู้นี่เป็นการได้ยินทางหูเมื่อเราได้เห็นได้เป็นผู้ดูมันก็เห็นกับตาในไม่ใช่ตาเนื้อนี่เปิกบานลองดูพิสูจน์ลองดูงดวันเจ็ดวนันถ้าผู้ที่ตั้งใจจริงมีสติต่อเนื่องพระพุพทธเจ้าข่าทายไว้วุ่นมีสติต่อเนื่องจริงจิงอ่ะ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 ลู่เสียตัวเนี่ยอาเฉยนิมิตเกาะไว้ถ้ายังไม่เก่งฝึกใหม่ๆเอาเฉยกายเป็นนิมิตไม่ใช่ไปท่องจนนอ ะ, อะนึกอลู่เนื้อลู่ออกมาใช่ก็เนึกอลู่เป็นจินตญาณไปอะไรก็รู้ได้แต่ไม่สำพันัดได้ด้วยชีวิตจิตใจจริงๆจะบอกก็ได้สติเมื่อไรส่สมปชะเคื่อไรตาเคเรียนมาตั้งแต่เป็นสามเณรสอบได้นักธรรมเนตรี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 เจ้าของความหลงไปเจ้าของหน้ากวัวความโูดจุกตัวยิงเพียพยายา้ยนพระเไมมันรู้มากๆขึ้นดูรู้รู้มันหลงรู้มีแต่สภาวะที่หลงมีแต่สภาวะที่รู้เท่านี้ไม่มากให้เหมือนจัปูเสกกระด้งตั้งที่เขาสอนกันหล้วมันหลงโูดจุกตัวกวงหลงแท้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 ร่มรวยมากแต่ว่าหลงเงินให้ไปสร้างกระถินไปทอดพระปราวัดโน้นวันนี้เทวร้านเท่านี้ล้านว่าต่ำยังไม่เสร็จไปหล่อพระพุทธรูปองค์ใหญ่ให้ไปแล้วสิบห้าล้านก็ยังไม่เสร็จบ่นอยู่เดี๋ยวก็มาเอาไปอีกว่าจะเสร็จก็ให้ไปก็ไม่เสร็จสัก ท, ทีเวลาหลวงตาพูดเอาเมือตกตะก้ามา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 เมื่อมีสติก็แล้วความชั่วเมื่อมีสติจิตบริสุทธิ์ไปกันเป็นปวงเลยทำเท่านี้มีสติอยู่ก็ถือว่าแล้วความทั่วเป็นชินแล้วรักษาชินแล้วทั บ, บุญแล้วมีสติก็ทำความดีมีสติเวลาใด้มนคิดหลงไปรู้สึกตัวจิตบริสุทธิ์แล้วพระพุทธเจ้าตนาสรุปลงโอวาติโมก สอนให้เล่ความชั่วสอนให้ทําความดีสอนให้จิตบริสุทธิ์เมื่อตัวแดงทำได้แล้วก็<ด>ไปสอนก็อย่างรู้ตามเรียกว่างสามหมาสามพระเจ้านี่เรามีสติอยู่นี่ใครไปผิดอะไรเวาไม่คิดไปก็รู้ตัวไม่ใช่ผิดศีลเลยรักษาศีลทําบุญใจมันจะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นแต่เคยหลองก็จะรู้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 คามสุขก็เป็นสังขารความทุกข์เป็นสังขารมาเกิดจากสังขารสมมุติเอาบัญญัติเอาบางคนได้เย็นเล่เา ก, ก็ว่าสุขได้โชโบเล ก, ก็ว่าสุขมันบัญญัติเอาสมมุติบัญญัติตัวเองอดหลับดนอนมากเกินก็ว่าสุขไปเที่ยวสุขจนเกือบตายไม่ได้หลับได้นอนเลยยังมีความสุขอยู่นกไม่เห็นฟ้าตาไม่เห็นน้ำใช้เดือนเห็นดิน หนอนเห็นคู่ที่ดูดกินบุตุชนก็เป็นเฉนีหลงก็เอาไม่หลงก็หาเรื่องให้มันหลงกินเหล้ามอยยายติดยาเสพติดชอบกล่อมหลงไม่รู้จักอายไม่ยอมก็ชอบเป็นได้บางคนสมบุติประหยัด ต, ต่างกันเมื่อสมบูรณประหญัดเอาตามความเคยกินของตก็แย่งคนอื่น